มันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเรียกว่าเม่นยำเนี่ยรายละเอียดอย่างสมมุติว่าตลอดระยะเวลาห้าิปีห้าสิปีเนี่ยนะห้าสิปีเนี่ยหมื่นกว่าวัน นะอายุของชีวิตเนี่ยหมื่นกว่าวันในหมื่นกว่าวันเนี่ยนะวันที่5้าร้ห้าสิบอะไรวันที่สองพันทำอะไรวันที่2500ทําอะไรเนี่ยนะคื อ, ค, อคือไม่สับสนในแม้กระทั่งเช้าสายบ่ายค่าเที่ยงกลางวันกลางคืนตอนหลับตอนตื่นเห็นใครพุยกับใครเรื่องอะไรว่าอย่างไรแล้วแยกแยะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษจําแนกเป็นขันอายตนะธาตุเป็นสัจจะเป็นปฏิจจ จำแนกเป็นกรรมจำแนกเป็นผลของกรรมได้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่สับสนไม่ปนเปนเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้นี่เรียกว่ายกเป็นตัวอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์เนี่ยแจ่มแจ้งเปิดเผยหมดเนี่ยนะไม่มีอะไรติดขัดแม้แต่นิดเดียวเพราะพระองค์มีสติแม่นยำขนาดนั้นเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องราวของพระองค์เองเนไนะตลอดระยะเวลาเนี่ยนะชาติที่เป็นสุเมศบัณฑิตท่านคิดอะไรสุเมศบัณฑิตเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่คลอดคลอดในตระกูลไหน สายพ่อเป็นยังไงสายแม่เป็นยังไงตัวเองเนี่ยอยู่ในคภนแล้วคิดอะไรคลอดออกมาจากคันและเจริญเติบโตอย่างไรได้รับการเลี้ยงดูอย่างไรแล้วไปเรียนอะไรเรียนกับใครวิชาอะไรบ้างจบอะไรมาบ้างแล้วพอเรียนจบมาแล้วคิดยังไงอัะนนะมีพ่อคิดกับพ่อยังไงเกี่ยวข้องกับพ่อยังไงมีแม่คิดกับเรื่องแม่อย่างไรเนี่ยนะมีทรัพ ย, ย์สินมองเรื่องทรัพย์สินเป็นยังไงมีค่าทาสบริวารเท่าไหร่จําชื่อได้หมดเนี่ยนะเขาเหล่านั้นเป็นใครและเขาเหล่านั้นเนี่ยท่านคิดอะไร ท่านไปอยู่ในที่หลีกแล้วนะท่านคิดอะไรทําไมท่านจึงออกบวชก่อนออกบวชท่านทําอะไรแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนมีใจบริจาคอย่างไรแล้วบวชแล้วไปทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรแล้วเจริญฌานอย่างไรวิธีการเจริญการเข้าการออกการระลึกแล้วเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วคิดอย่างไรเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าน้อมไปบูชายอย่างไรเพราะมีองค์ประกอบประชุมพร้อมอะไรบ้างพระองค์พยากรณ์ว่ายอย่างไรพุทธพจน์ที่พยากรณ์ทุกคําจำได้หมดเลย พอจําได้หมดแล้วพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไงเมื่อได้รับคําพยากรณ์แล้วตัวเองค้นคว้าหาบารมีธรรมอย่างไรรู้ความคิดของตัวเองทุกความคิดหมดเนี่ยนะแปลว่าทบทวนได้อย่างแม่นยำแล้วอย่างเขาบอกว่าพวกที่ระลึกชาติทั้งหลายบางคนเนี่ยระลึกกระโดดข้ามชาติไม่ได้ต้องค่อยๆนึกนึกนแหมก็ต้องนึกนะย้ย้อนย้อนแต่ของพระพุทธเจ้าแบบล้วงเอามาเป็นเรื่องๆก็ได้ระลึกแบบตลอดสายระลึกแบบตั้งแต่วันนี้ระลึกย้อนไปหาอดีตก็ได้ ค่อยๆระลึกจากอดีตมาโดยลําดับจนถึงปัจจุบันก็ได้สับในระหว่างก็ได้แล้วรับรู้ในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าพระองค์เป็นผู้มีสติสติของพระองค์นั้นปุเพนิวาส า, านุสติญาณ น, นี่รับรู้ทั้งเรื่องราวของพระองค์ด้วยและของภาษาริบตรของพระโมคกขารานาสรุปว่าของสัตว์อื่นเรื่องพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆทั้งหมดเนี่ยนะเกี่ยวกับรายละเอียดพระพุทธเจ้าพระนะไม่ใช่เรื่องพระองค์อย่างเดียว พระพุทธเจ้าที่ปังกรเนี่ยนะมีพุทธบิดาพุทธมารดาเป็นอย่างไรลักษณะรูปร่างผิวพัรร์อย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสอนอะไรสอนว่าอย่างไรสอนและมีใครบรรลุบ้างเขาบรรลุยังไงบรรลุแบบ แบบไหนบรรลุกี่ประเภทรอบรู้หมดพระพุทธเจ้าโกนธัญญะมังคลาสุมาณเรวตะโสพิตาอนมทัต ส, สีพระพุทธเจ้าเหล่านั้นใครเป็นพุทธบิดามารดารู้อะไรตรัสรู้อะไรปฏิบัติอย่างไรบรรลุยังไงบรรลุแล ะ, สะวสวยวิมุตติสุขกี่วันสอนใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไร่มีใครบรรลุแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะรอบรู้หมดและอายุศาสนาเหล่านั้นเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดเนี่ยนะ ไม่สับสนไม่ปนเปไ์แม่แต่อย่างเดียวเพราะเพราะพงมีสติเนี่ยนะเรียกว่าสติถ้าพัฒนาขึยิ่งใหญ่ไปแล้วจะเป็นวิชาเครียกว่าประกอบกับวิชารลบวิชาปุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยนะเพราะผู้นี้จะมีสติแม่นยํามากเนี่ยนะแล้วสติเนี่ยนะคิดดูนะว่าสติที่จําแนกแยกแยะเนี่ยนะว่าอะไรเป็นกุศลกรรมบทอะไรเป็นอกุศลกรรมบทอะไรเป็นโพธิปัจจะธรรมอะไรเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์กับ โหที่ปักคยธรรมแล้วระลึกได้ว่าคนที่เขาเคยเจริญในอดีตเขาเจริญอะไรมาบ้างอันนั้นในอดีตบุคคลเหล่าใดเขาปฏิบัติอย่างไรเนี่ยพระองค์ไม่เคยสับสนเลยเนี่ยนะเพราะนี้มีสติบริบูรณ์ตั้งมั่นมั่นคงอย่างนั้นจริงๆถ้าบอกว่าปกติเนี่ยบางคนบางคนบอก ว, ว่าถ้าจำได้มากขนาดนั้นไดฟุ้งซ่านแย่หรือบอกว่านี่ไม่เนี่ยนะคือคือคนที่มีสติที่บริบูรณ์จริงๆเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนเพราะมีสติเลยเนี่ยนะเราะนั้น พระองค์เนี่ยเป็นไม่ใช่พระองค์มีคุณธรรมเฉพาะสติอย่างนี้พระองค์มีสมาธิมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายเนี่ยนะอันสติของพระองค์นี่แหละที่ทำให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะบอกสอนเกี่ยวกับผู้อื่นในการเจริญสติพระองค์เป็นผู้มีสติเหนือกว่าผู้มีสติทั้งหลายพระองค์จึงเป็นผู้ที่บอกสอนให้ผู้อื่นในการ เจริญสติสอนว่าผู้อื่นเนี่ยเจริญสติอย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่มีอุปการะต่อสติอะไรไม่มีอุปการะต่อสติอย่าง ส, จจงสติเนี่ยนะบุคคลจะเจริญสติเนี่ยเจริญด้วยอาการสามคิดย่ er, อเนี่ยนะเจริญสติเจริญด้วยอาการสามหนึ่งเว้นก่อนเนี่ยนะเว้นคนที่หลงลืมสติก่อนเนี่ยนะกล่าวว่าเลืกเลี่ยงพวกปั๊มปั๊มเปอร์เปเอร์พวกเลึอกอะไรก็ไม่ได้แยกดีแยกชั่วก็ไม่ได้วิจารณญาณวิบัติเหลือทนเนี่ยนะ ดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้เรียกว่าลีกเลี้ยงพวกวิจารณญาณวิบัติหลีกเลี่ยงพวกมีสติวิบัติพวกไม่มีสติก่อนเป็นอันดับแรกข้อสองทำไงครบคนที่เขามีสติว่าคนที่เขามีสตินี่เขาเป็นอย่างไรเนี่ย คนที่เขามีส ต, ติเขาบริหารชีวิตอย่างไรเขามีกายกรรมอย่างไรมีวจีกรรมอย่างไรมโนกรรมอย่างไรวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของคนที่มีสติตนี่เข้าปฏิบัติอย่างไรและที่สําคัญก็คือทรงจํานิมิตเครื่องหมายของสติเช่นพระสูตรเป็นที่ตั้งให้ให้เกิดการเจริญสติเนี่ยนะมีทรงจําพระสูตรได้ที่เกื้อกูลต่อการเจริญสตินี่ใน ยกถึงข้อความที่กล่าวถึงว่าผู้ที่มีสติเนี่ยนะผู้ที่มีสติจริงๆเนี่ยสตินี้เป็นภาเวตปธรรมนะสตินี้เป็นภาเวตประธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญสติก็เป็นพหุการกะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมที่สร้างอุปการะมากมันก็สติต้องเป็นสิ่งที่ต้องเจริญเจริญสติโดยอะไรคนที่จะมีสติได้เนี่ยนะหนึ่งเพราะเป็นผู้เจริญกายานุปัสนาสติปฐานก็เชื่อว่าเป็นผู้มีสติ เนี่ยนะเจริญกายานุปัสนาสติปทานทั้ง14บัพพะก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติเจริญเวทนานุปัสนาสติปทานในเวทนาทั้งหลาย9อย่างเนี่ยนะ เจริญเวทนานุปัสนาในสุขเวทนาทุกขเวทนาในอทุกขมสุขเวทนาสุ ข, ขวเวทนามีอามิตรไม่มีอามิตรทุกขเวทนามีอามิตรไม่มีอามิตรอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรและไม่มีอามิตรเจริญเวทนานุปัสนาหรือเจริญอนุปัสนาเจ็ดในเวทนา9้าอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติอันนี้ก็คือรับรับสติเนี่ยนะให้สติมีความคมกล้าเนี่ยนะแม่นยำหนักแน่นยิ่งขึ้น หรือเมื่อเจริญจิตตานุปัสนาเนี่ยนะเจริญจิตตานุปัสนาอนุปัสนาเจ็ดในจิตสิหจิตมีราค้าปราศจากราค้าจิตมีโทสะปราศจากโมหะจิตมีโมหะปราศจากโมหะจิตหดหูฟุ้งซ่านจิตเป็นสอุตระอนุตระเนี่ยนะสุตระอนุตระจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยนะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเนี่ยนะมันการเจริญอนุปัสนาใน ในจิตทั้งหลายทั้งส6หหมวดเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มี สติหรือผู้ที่เจริญธรร ม, มานุปัสนาสติปัฏฐานจำเนกแยกแยะเกียก่ ย, กยวกับเรื่องนิวรณ์ น, นะว่านิวรณ์เป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์แต่ละอย่างอะไรเป็นความดับนิวรณ์แต่ละอย่างนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้ยังไงนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ยังไงละได้ละปฏิบัติอย่างไ ร, ช, งไงไรชื่อว่าละโดยการข่มไว้อย่างไรชื่อว่าละโดยเด็ดขาดละโดยเด็ดขาดที่ไหนเมื่อไร่และอย่างไรต้องมีคุณธรรมเหล่าใดจึงจะมาเจริญ จึงจะกําจัดนิวรเป็นต้นเหล่านั้นออกไปได้นะรอบรู้ว่าขันห้าเป็นยังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดรูปเป็นยังไงทำเหล่าใดที่ดับรูปนะเวทนาเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างไรทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ดับเวทนาสัญญาเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างไรทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ดับสัญญาสังขารเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดสังขารเป็นอย่างไรและธรรมที่ดับสังขาร เป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นอย่างไรทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ดับวิญญาณมันผู้ที่รอบรู้เหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าดังกล่าวมานี้เนี่ยนะด้วยอนุปัสนาทั้งหลายผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติหรือเป็นผู้ที่รู้อายตนะเนี่ยนะรู้อายตนะคือตาอายตนะคือสีอายตนะคือรูปเนี่ยสังโยตี ทั้งสิบ ท, ที่อาศัยตากับสีเป็นอย่างไรสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดเกิดได้ยังไงที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้อย่างไรละละล ะ, ละแบบเด็ดละอย่างไรข่มไว้ละอย่างไรชื่อว่าเด็ดขาดละเ ด, ด็ดขาดแล้วไม่เกิดอีกแน่นอนทาวเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะพันเจริญสติพิจารณาตาพิจร า, าจรณาสีจนกําจัดสังโยชน์ทั้ง10ประการโดยอาศัยทวารตาและสีเป็นต้นเนี่ยนะวันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเจริญสติ มันผู้ที่เจริญสติพิจารณาขันอายตนะหรือพิจารณาโพชงเนี่ยนะรู้วิธีการเจริญโพชงว่าคิดยังไงจึงเป็นการเจริญสติอย่างไรเป็นการเจริญธรรมวิจยะเจริญวิริยะเจริญสมาธิเจริญอุเบกขาเนี่ยนะที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อปรินิพานเจริญอย่างไรเรียกว่าเจริญโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ การฝึกฝนอย่างนี้มากๆก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติมันผู้ที่มีสติเนี่ยนะก็สามารถที่จะกําหนดรอบรู้กองทุกข์โดยปริยายต่างๆสามารถที่จะละสมุ ท, ทยัยละอนุสัยละกิเลสละอุปกิเลสในยะต่างๆ่ามันผู้ที่มีสติจึงสามารถตรัสรู้ธรรมที่ดับทุกตรัสรู้ธรรมที่สงบทุกมันผู้ที่มีสติ จึงเป็นผู้ที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ผู้มีสติเท่านั้นแหละจึงจะเจริญสติประธานสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พระละโพชงและองค์มครรคทั้งหลายเนี่ยนะสามารถเจริญคุณธรรมที่นําออกจากทุกเนี่ยนะทีนี้คนที่เจริญสติคนที่มีสตทิที่แท้จริงเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติเนี่ยพระองค์มีสติตลอดการทุกเมื่อพระองค์เป็นผู้มีสติตลอดการทั้งปวง พระองค์มีสติไม่ว่ า, าตลอดการเป็นนิสตลอดการยั่งยืนตลอดการนิรันดร์ชีวิตของพระองค์เนี่ยนะเว้นแต่หลับซะเว้นแต่ทวิปัญจะเนี่ยนะมีสติหมดเนี่ยนะเว้นจิตที่เป็นอาเหตุกะจิตเสียจิตที่เหลือของพระองค์เนี่ยนะมีสติประกอบหมดเลยเน่นะมีสติประกอบทุกชวนะเนี่ยนะ เวรมีสติประกอบทุกชวนะทุกขณะเลยเนี่ยนะแม้ที่สุดแม้แต่ภวังของพระองค์ก็สมบูรณ์ด้วยเรียกว่ามีสติตลอดการทั้งมวลทั้งปวงมีสติเนืองนิดมีสติตลอดการยั่งยืนนิรันดรตลอดการเป็นอันเดียวกันติดต่อกันเป็นลําดับไม่ขาดระยะไม่มีอะไรมาตัดขาดระหว่างขั้นเป็นสติที่เป็นไปยอย่างไม่ขาดสายกระชันชิด มีสติทั้งก่อนอาหารและหลังอาหารบางคนเนี่ยมีสติก่อนอาหารบางคนเนี่ยหลังอาหารเนี่ยจบเลยอดเลยเนี่ยนะแล้วบางคนเนี่ยมีสติหลังอาหารแต่ก่อนอาหารไม่ได้เรื่องบางคนนี่มีสติเฉพาะเวลาอาหารก่อนหลังไม่หมดเลยเนี่ยนะบางคนก็มีสติทั้งก่อนอาหารหลังอาหารกำลังบริโภคอาหารมีสติทั้งแกรวดตอนยามต้นยามกลางยามหลังก็แปลว่ามีสติตั้งแต่วัยอยามต้นก็เช่น ปฐมยามใช่ไหมปฐมมายามมัชิมยามปัชชิมยามก็มีสติช่วงเช้ากลางวันเย็นก็มีสติในรอบ24ชั่วโมงไม่มีขณะไหนที่ปราศจากสติเนี่ยนะแปลว่ามีสติทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมีสติทั้งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะมีสติทุกวันแล้วก็มีสติ ข้างขึ้นและข้างแรมเนี่ยนะใน15วันข้างขึ้นก็มีสติไม่ใช่ว่าแบบอะไรข้างขึ้นหรือข้างแรมไปเป็นหมาป่าซะเฉยไปเลยเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นก็คือมีสติตลอดการทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงอ่นะทั้งข้างขึ้นข้างแรมทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนตอนวัยต้นวัยกลางและวัยปลายก็แปลว่ามีสติต่อชีวิตเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสติอย่างนี้จริงๆตลอดชีวิตของพระองค์เนี่ยนะ เพราะอะไรที่พระองค์มีสติได้เพราะพระองค์เว้นจากความเป็นผู้ที่ไม่มีสติพระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมที่ต้องทำด้วยสติเช่นพระองค์อยู่ด้วยอาณาปานาสติเนี่ยนะอาณาปานาสติต้องเป็นคนที่มีสติมากจึงจะเจริญได้นะเพราะพระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในธรรมที่สร้างสติพระองค์เป็นผู้ที่กาจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อสติพระองค์เป็นผู้ไม่หลงลืมเครื่องหมายนิมิตของ สติอะไรเป็นที่ตั้งแห่งสติพระองค์จะไม่ลืมเครื่องหมายเหล่านั้นเลยเนะใครว่าไม่หลงลืมในเครื่องหมายของสติะนะเพราะนั้นไอ้ความไม่มีสติพระองค์เว้นออกไปหมดอะไรที่มีอุปการะต่อการเจริญสติพระองค์เอาหมดเนี่ยนะอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ข้าศึกศัตรูต่อสติพระองค์กําจัดทิ้งออกไปหมดและอะไระนะเครื่องหมายเหล่าใดที่ก่อให้เกิดสติพระองค์ไม่สับสนไม่เลอะเลือนในสติทั้งหลายเหล่านั้นเนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มี สติ